เอวเมสุตังเอคังสเม n ยงภะกวะบารานสียงวิหารติอิสิปัตเนมิกระดายเทตระโคภะกว a ปัญจวักขิเยภิกข n อามันเตสีเเวเมภิกเวอันตาปะปจิเตนนาเซวิตาบา โยจายังกามสุกามะสุขหลิการุโยโขหินุกัมโมโปทุชนิโกอนัทริโยอนัทสันหิตโ o โยจายังอตตกิลามาธาุโยโขดุโคอนัทริโยอนัทสันหิตโถเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปัฏฐัมมะ มัชฌิมาปฏิปดาตถาคเถนะอภิสัมบุตธาจากุกรนุยญาณการนุยอุปสมายาอภิญญาสัมโบธาญา nibana ยาสังวตติกตมาจะสทาบิคเวมัชฌิมาปฏิปดาตถาคเถนะอภิสัมบุตธา จักข r a การหนวยญาณการหนวยอุปสมัยญาปิญญายะสัมบ t ธาญา nibbana ญาสังว y ตติอาญาเมวะอริยะทั้งยี่โกมะโกเสียที่ดังสมมาดิธิสมมาสังกปะสมมาวาจาสมมากรรมโตสมมาอาจิโว สัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างโคสาภิกเวมะชิมาปฏิปดาทัธาคเตนะอภิสัมบุตตาจักขุกรหนอยาณกรหนอยุปสมายะอภิญอยะสัมบฏายะนิบานายะสังวตติตอิดังโคปนาภิกเวดุขังอริยสัจจัง จติปิฎกข้าจาราปิฎกข้ามรณะปิฎกขังโสกปริเดวุฑ a ดมานัุปายาซาปิุกขาอภิเยหิสัมปโยโคุดุโคปิเยหิวิปโยโคุดุคยยมปิชังนราปฏิตาปิฎกขังสังคิเตนปัญจปาดานะขันธาดุข้า อีดังโคปนาพิกเวดุคะสัมุดายอริยสัจจังญาหยังตันหาบุโนภวิกานันดิรากะสหเกตตาตตระตตราพินันดินีเศยที่ดังการมตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีดังโคปนาพิกเวดุคะนิโรโทอริยสัจจัง โยตั a สาเยวะตันหะยะอเสสะวิรากะนิโรโธจางโกปตินิสโกมุติอนาลโยอิดังโคปนาภิกเวดุคานิโรตกะมินิปติปดาอาริยสัจจังอายะมิวอาริโยอัตถังยิโกมโกเสียที่ดังสมาดิธิสมาสังกะโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาจิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอิดังดุขังอริยสัจจันติเมผิกเวปุเบอนันโสุเตสุทธัรมเมสุม จากุ้งอุดะปาดิยยนังอุดะปาดิปัญโาอุดะปาดิวิจชาอุดะปาดิอาโลโกอุดะปาดิตังโกปานิดังดุขังอริยสัจจงปะรินย่อยันติเมผีเขวปุเบอานานุสุเตสุธรมเมสุ จากุงอุดะปาดิยยนังอุดะปาดิปัญญาอุดะปาดิวิจจาอุดะปาดิอาโลโก อ, อุดะปาดิตังโคปนิดังดุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกเวปุปเปอนานันสุเตสุธรรมเมสุ จากุอุดาปะฏิโยนังุดาปะฏิปัญญะุดาปะฏิวิจา a ะุดาปะฏิอาโลโกุดาปะฏิอิดังดุขะสมุไดโยอริยสัจจันติเมผิกเวปุบเบอะนะนุสุเตสุธรมเมสุ จากุอุดปาดิยนานุดปาดิปัญญาุดปาดิวิจ้าุดปาดิอาโลโกุดปาดิตังโกปนิดังดุขสมุดโยอริยสัจจังปะับันติเมภิกขเวปเบอนานโสเตโธมเมโส จากุงอุดะปาดิโยนางอุดะปาดิปัญญาอุดะปาดิวิจจาอุดะปาดิอาโลโกอุดะปาดิตังโคปนิดังดุขะสมุดยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุบเบอนาโนสุเตสุธมัมเมโส จัคุงอุดะปาดิโยนังอุดะปาดิปัญญาอุดะปาดิวิจจาอุดะปาดิอาโลโกอุดปาดีอีดังดุคาเนโรโทอริยสัจจันติเมผีกะเวปเบอานานสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุดะปาดิโยนังอุดะปาดิปัญญาอุดะปาดิวิจจาอุดะปาดิอาโลโกอุดะปาดี ตังโคปนิดังดุขานิโรธโออริยสัจจังสัจจิกาตับันติเมภิกเวปุเบอนาโนสุเตสุธรมเมโสจากุงอุดะปาดิยอนังอุดะปาดิปัญญาอุดะปาดิวิจจาอุดะปาดิอาโลโกอุดะปาดิ ดังโคปนิดังดุคาณิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกานติเมผิกเวปเบอานโนสเตสุธรรมเมสุจะกุงอุดปาดิยอนังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิจารอุดปาดิอาโลกอุดปาดิอิดังดุคาณิโรทะ伽มินิปฏิปดาอริยสัจจันติเมผิกเว ปุเบอนันโนสุเตสุธรมเมสุจกคุ้งอุดปาริยานังอุด a ปาริปัญญาอุด a ปาริเวชญาอุดาปาริอาโลโกอุดาปาริตังโคปนิดังดุขนิโรธามินีปฏิปดาอริยสัจจพาเวตปันติเมภิกเวปุเบอนันโนสุเตสุธรมเมสุ จากุ้งอุดะปาดิโยนังอุดะปาดิปัญญาอุดะปาดิวิจาอุดะปาดิอาโลโกอุดะปาดิตังโคปนิดังดุขณิโรธกามนิปฏิปดาอริยสัจจพาวิตันติเมภิกเวปุบเบอนานสเตสธรมเมโส จากุณุดัปปาดิโยนังดัปปาดิปัญญาอัปปาดิวิจาอดัปปาดิอาโลกดัปปาดิยาวกิวันจเมีภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตตังดวารดสัการังยธาภูตังโยนัดสนนังนสุวิสุทังอาโหสี เนวตาวาหังพิกเวสเดวเกโลเกสามารเกสพระหามเกสัสสัมนาบรามณิยาปัญญาสเดวะมนุษยายะนุตะรังสัมมาสัมโบทิงอภิสัมบุตโธปัจจัญญาสิงยัตโตจะโโเมพิกเวอิเมสุจัตโสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังดวารดสาการังยธาภูตังยานัสสนังสุวิสุทธังอโหสีอาทาหังพิกเวสเดวเกโลเกสามารเกสัพระมะเกสัศมาณบรัมมนียาปจายาสเดวมนุสายอนุตตะรังสัมมาสัมโบทิงอภิสัมบุตโธปัจจัญยาสิ่ง ยอนั่งจะพนัเมดสนังอุดาปาดิอาคุปาเมวิมุติอายามันติมาจัตตินัททิดานิปุนาโวติอิดามาวจะพระเกวะอาตามนาปัญจวัคคยาพิกุภะเกวะโตภาสิตังอพินันดุง อิมาสมินจะปนะเวียการณ์นรมิงห์พันยมาเนยอายะสมะโตโกนดัญย ะ, ะวิรจังวิตามลังธรรมจักขุงอุดะปาดิยังกินจิสมุดยัธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมันติปาวะติเตจพะกวาตาธรรมจักเก พุมมาเดวาสดามนุสสาเวสุงเอตัมภกวตตาบารานสิยังอิสิปัตเนมิกาดาเยอนุตตารังธรรมจักตังปวัติตังอาภติวัติยังสัมโนยนวะบรัมณีนาวะเบวนาวะมารีนาวะพระมุนาวาเกณจีวาโลกะสมินตต ผมมานังเดวานังสัตดังสุตตวาชาตุมมาราชิกาเดวาสัตดมนุสย์เวสุงชาตุมมาราชิกานังเดวานังสัตดังสุตตวาตาวติงสาเดวาศดมนุสย์เวสุงตาวติงสานังเดวานังสัตดังสุตตวา ยามาเดวาสัตยามนุสย์เวสุงยามานังเดวาังสัตดังสุตตวะตุสิตาเดวาสัตยามนุสย์เวสุงตุสิตานังเดวาังสัตดังสุตตวะนิมานรติเดวาสัตยามนุสย์เวสุงนิมมานารตินังเดวานังสัตดังสุตตวะ ปรณิมิตวะสวัตตเดวาสัตดัมนุสาสุงปรณิมิตวสวัตตินังเดวาังสัตดังสุตวพระหามกายิกาเดวาสัตดัมนุสาสุงเอตํมภกวตาบารานสียงอิสิปัเนมิกดาเยอนุตารังธรรมจักังปวัตติตัง ปภติวัติยังสัมเนนนาบรัมเนนวาเดเวนวามาเรนวาบรหัมุนาวาเกนะจิวาโลกาสัมินเตอิติหเตนะคเนนะเตนะโมหเตนะยาวะบรหัมโลกาสัตโดอะพุคจิอยัญจดสสหัสสิโลกัตถตุ สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปมาโนจโอลาโรโอพาโซโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวเดวานังเดวานุภาวังอัทโคภะกวาอุดานังอุดาเนสิอัญญยสิวัตโพกดัญโยอัอญโยสิวัตโพกดัญโยติ อิตหิดังอายสมโตโกดัญญะสะอัญโยโกดัญโยตเววนามังอะโหสิติ